สมผัสสยองเล่นของขมรนจนเจอดีช่วงปี2546นิ้ิวมีโอกาสได้เข้าไปเรียนในตัวเมืองเธอจึงเช่าหออยู่กับเพื่อนอีกสองคนหอพักที่เธอเช่าสะอาดน่าอยู่ และเป็นหอหญิงล้วนห้ามผู้ชายเข้านิวกับเพื่อนเช่าอยู่ชั้นสามของหอพักพวกเธออาศัยอยู่อย่างปกติสุขมานานแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกกับเพื่อนของเธออีกคนที่เช่าห้องอยู่ที่ชั้นสองชื่อว่าก้อยซึ่งเธอเช่าห้องอยู่เพียงคนเดียวโดยลำพังก้อยเป็นคนสวยมากผิวขาวรูปร่างดี แลามักจะมีผู้ชายมาติดพันอยู่หลายคนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานและมีอายุมากกว่าเธอก้อยไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักเธอเป็นคนเงียบๆนิ่งๆแต่ด้วยความสวยจึงมีคนมาชอบพอก้อยอยู่มากผู้ชายที่เข้ามามีทั้งโสดและมีครอบครัวแล้วแต่ก้อยก็ครบด้วยหมดบางครั้งเธอก็ได้ของขวัญ ที่บรรดาชายหนุ่มทั้งหลายมอบให้เพื่อหวังจะมัดใจเธอก้อยจึงมีสร้อยแหวนและเครื่องประดับต่างๆสวมใส่เต็มตัวไปหมดเราจะไปกินข้าวก็มีผู้ชายมาขับรถรับเธอแทบจะไม่สำนาคืนหนึ่งประมาณสองทุ่มขณะที่นิวกำลังทำการบ้านอยู่ในห้องก้อยก็เข้ามาหาและขอร้องนิวให้ไปนอนเป็นเพื่อน เพราะว่าภาคนี้ก้อยชอบเจออะไรแปลกๆที่ห้องทั้งๆทงี่ก้อยก็อยู่หอภาคนี้มาสามปีแล้วไม่เคยเจออะไรนิวตอบตกลงเพราะคืนนี้เพื่อนอีกสองคนที่เช่าห้องด้วยกันไปค้างที่บ้านแฟนทําให้นิวต้องนอนคนเดียวอยู่แล้วนิวจึงอาบน้ําเปลี่ยนชุดและเตรียมของไปนอนกับก้อยครั้งแรกที่นิวเข้าไปในห้องของก้อย นิวก็รู้สึกแปลกๆเธออึดอัดเหมือนจะหายใจไม่ค่อยออกแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นก้อยขอตัวไปอาบน้ำนิ้วจึงนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงเล่นไปเล่นมาได้สักพักนิ้วก็เกิดปวดท้องขึ้นมาจึงตะโกนถามก้อยว่ามียาหรือเปล่าก้อยบอกว่ามียาอยู่บนหัวเตียงนิ้วจึงเปิดลิ้นชักดู เพื่อหายากินเพราะอาการปวดท้องมันเริ่มหนักมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่มองหายาอยู่นั้นนิวก็ไปสะดุดตากับของแปลกๆเขามันเป็นขวดใสใสอะไรบางอย่างไว้ข้างในรอบขวดพันด้วยได้สีขาวมีเทียนสีเหลืองอยู่สามเล่มถูกมัดไว้ด้วยแต่นิวก็ไม่กล้าเอาออกมาดูจึงหยิบยาออกมา แล้วปิดลิ้นชักไว้ตามเดิมพอก้อยออกมานิวก็ไม่ได้ถามอะไรแล้วก็เตรียมตัวจะเข้านอนกันก่อนนอนนิวสวดมนต์ตามปกติก้อยก็ขอเปิดไฟนอนเพราะบอกว่าชินและไม่เคยปิดไฟนอนเลยนิวตกลงที่จะเปิดไฟนอนแล้วทั้งสองก็เข้านอนเวลาประมาณตีสี่กว่า นิวรู้สึกปวดท้องจึงลุกมาเข้าห้องน้ำพอทำทุงลาศิษฐเธอก็เห็นว่ามันใกล้สว่างแล้วปิดไฟในห้องคงจะไม่เป็นไรนิวจึงปิดไฟแล้วไปนอนต่อพอนอนได้สักพักขณะที่นิวครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะ ก, กันเสียงนั้นใกลมากเหมือนอยู่ข้างๆหูของนิวเลยเธอจึงพยายามตั้งใจฟังอีกครั้ง เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงผู้ชายสองคนกำลังทะเลาะ ก, กันด้วยภาษาที่นิวฟังไม่รู้เรื่องซึ่งมันคล้ายภาษาเขมรพอฟังไปได้สักพักก็ทนหนวกหูไม่ไหวในใจคิดว่าตื่นเลยจะดีกว่าพอคิดได้ดังนั้นนิวก็สะดุ้งตื่นขึ้นในทันทีแล้วเสียงคนทะเลาะ ก, กันก็หายไปแต่กลับได้ยินเสียงของก้อย ที่กำลังร้องไห้ออกมานิวรีบหันไบมองก้อยที่กําลังนอนร้องไห้ตัวสัน่นนิวจึงรีบปลุกก้อยให้ตื่นเพื่อจะถามว่าเป็นอะไรแต่ก้อยก็ไม่ยอมตื่นยังคงร้องไห้และพูดว่าเจ็บอยู่อย่างนั้นนิวตกใจมากทําอะไรไม่ถูกก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเธอมีพระเป็นเหรียญของหลวงปู่วัดไกลบ้านที่นิวนับถือ เธอจึงเอาสร้อยพากของเธอคล้องคอก้อยแล้วลองปลุกก้อยอีกครั้งครั้งนี้มันได้ผลก้อยสะดุ้งตื่นขึ้ น, นมาร้องไห้ฟูมฝ่ายเข้ามาสวมกอดนิวแล้วเล่าให้นิวฟังว่าตอนที่เห็นนิวห้องน้ำก้อยก็อยากจะเข้าเหมือนกันจึงคิดว่าจะนอนรอแต่เผลอหลับไปก่อนช่วงที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นก้อยรู้สึกตัว แต่ลุกไม่ขึ้นเธอเห็นผู้ชายสองคนหิวดำมาสู้กันบนหน้า อ, อกของเธอชายทั้งสองทะเลาะต่อสู้ใช้มีดฟันกันในขนาดเดียวกันนั้นก็เหยียบหน้า อ, อกของก้อยไปด้วยมันทาให้ก้อยหายใจไม่ออกพยายามจะเรียกนิวให้ช่วยแต่ก็ทำไม่ได้จนกระทั่งนิวมาปลุกเธอก้อยจึงหลุดจากเหตุการณ์ระทึกขวัญตรงนั้นได้ นิวถามก้อยว่าก้อยไปทำอะไรมาหรือเปล่าเพราะนิวอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วไม่เห็นมีอะไรหอพักนี้ก็ไม่เคยมีประวัติมีสารพระภูมิหน้าหอพวกเราก็ไหว้กันเป็นประจำตอนแรกก้อยก็ไม่ยอมบอกนิวจึงเกลี้ย ก, กล่อมว่าถ้าก้อยไปทำอะไรมาก็บอกจะได้หาวิธีแก้กันถ้าขืนปล่อยไปแบบนี้ ก้อยคงอยู่ที่ห อ, อย่างสงบไม่ได้แน่แนสุดท้ายก้อยก็ยอมเล่าให้ฟังเธอบอกว่าเธอไปรับของขเขมรมาแบบที่เขาติดป้ายตามต้นไม้ว่าทำให้ผัวรักผัวหลงเป็นสเสนียาแฝดอะไรทำนองนี้เพราะก้อยคบหาผู้ชายหลายคนเธอจึงต้องการเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเองแล้วของที่รับมา ก็คือขวดที่นิวเจอในลิ้นชักบนหัวเตียงพอนิวได้ฟังดังนั้นก็คิดหนักไม่รู้จะไปปรึกษาใครจึงตัดสินใจไปปรึกษาเจ้าของหอเจ้าของหอจึงบอกว่าให้เอาขวดไปทิ้งโดยให้เอาไปฝังที่วัดหรือที่ป่าชาแล้วให้อัญเชิญพระพุทธรูปเข้ามาไว้ในห้องบูชาทุกวันก้อย ก, ก็ทําตาม โดยเลือกเอาขวดนั้นไปฝังที่วัดอันเชิญพระพุทธรูปเข้ามาไว้ในห้องแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นจนก้อยสามารถนอนคนเดียวได้นิวและเพื่อนๆจึงอยู่ที่หอนั้นจนกระทั่งเรียนจบและไม่เจอเหตุการณ์แปลกๆที่หอนั้นอีกเลย เสียงปริษนาที่ห้องตรวจภายในเรื่องนี้เกิดได้ไม่นานตอนนั้นนิวแท้งลูกคนที่สองต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อขูดหมดลูกวันนั้นคนเยอะมากห้องพิเศษก็เต็มหมดทุกห้องนิวจึงต้องไปนอนเตียงแทรกในห้องรวมซึ่งอยู่ติดกับประตูทางออก และตรงกับประตูของห้องตรวจภายในซึ่งเป็นห้องที่ใช้ตรวจดูคนไข้เบื้องตน้นก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดว่าเป็นมากน้อยขนาดไหนจะต้องได้รับการผ่าตัดแบบเร่งด่วนหรือไม่ภายในห้องจะมีขายัาง่งและอุปกรณ์การตรวจเบื้องตน้นแต่ไม่เหมือนกับห้องผ่าตัดสะทีเดียวนิวเข้าโรงพยาบาลตอน8ปดโมงเช้า แต่หมอนัดขูดมดลูกตอนสี่โมงเย็นระหว่างที่รออยู่นั้นก็มีคนไข้อาการน่ากลัวเข้ามาที่ห้องตรวจภายในอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นยิงท้องอายุครันประมาณหเดือนแต่หัวเด็กโผลออกมาขณะแม่เข้าห้องน้ำทำให้เด็กเสียชีวิตทั้งที่ตัวเด็กติดอยู่ที่มดลูกระยะห่างระหว่างเตียงของนิวกับประตูห้องนั้น ห่างกันเพียงแค่พอเข็นเตียงคนไข้ผ่านไปได้เมื่อยิงท้องคนนั้นเข้าห้องตรวจไปได้สักพักหมอก็สามารถเอาเด็กออกมาได้โดยไม่ได้ใช้ห้องผ่าตัดนิวเห็นพยาบาลเอาร่างเด็กห่อผ้าขาวออกมาดูจากลักษณะการห่อนิวคิดว่าสภาพคงไม่น่าดูสักเท่าไหร่แต่เธอก็ไม่คิดอะไรต่อมา หลังจากที่นิวขูดหมดลูกเสร็จก็ต้องกลับมานอนพักฟื้นที่เตียงเดิมเวลาประมาณห้าทุมใกล้จะเที่ยงคืนนิวนอนไม่หลับจึงนั่งอ่านนิตยาสารอยู่บนเตียงโดยมีสามีของเธอนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ปลายเตียงภายในห้องคนไข้รวมก็มีเสียงเด็กร้องบ้างเงียบบางสลับกันไปเพราะเป็นห้องรวมกับคนที่คลอดลูกแล้ว กำลังพักฟื้นรอกลับบ้านนิ้วอ่านหนังสือไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะดังมาจากในห้องตรวจนั้นสามีของเธอก็ได้ยินจึงหันไปที่ประตูบังเอิญว่าประตูห้องนั้นปิดไม่สนิทเปิดไวกว้างประมาณเด็กตัวเล็กๆสามารถที่จะผ่านไปได้แสงไฟในห้องก็เปิดอยู่สามี จึงมองผ่านช่องนั้นไปดูว่ามีเด็กในห้องนั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีแล้วสามีก็พูดกันว่าเด็กที่ไหนจะเข้าไปได้เพราะห้องนั้นมีทางเข้าแค่ทางเดียวคือประตูที่อยู่ใกล้ๆเราถ้ามีเด็กเข้าไปจริงๆเราก็ต้องเห็นแล้วสิถึงจะก้มหน้าอ่านหนังสืออยู่ยังไงก็ต้องเห็นผ่านๆบ้างแหละนิวก็เห็นด้วยกับคาพูดนั้นเพราะประตูนั้นใกล้มาก ขนาดถ้านั่งอยู่บนเตียงแล้วเอื้อมมือไปบิดลูกบิดก็เปิดประตูดได้เมื่อไม่มีใครในห้องทั้งสองจึงกลับมาอ่านหนังสือต่อพ่ออ่านไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะขึ้นมาอีกเสียงนั้นมันดังชัดเจนมากและคิดว่าจะต้องดังมาจากในห้องนั้นแน่แน่นิวและสามีเริ่มระแวงแต่ก็ทาใจกล้าอ่านหนังสือต่อ ฮกุบหน้าได้ครู่เดียวเท่านั้นประตูห้องที่มันแง้มอยู่ก็ปิดพอประตูปิดทันใดนั้นเองไฟในห้องก็ดับนิวตกใจสะดุ้งสุดตัวส่วนสามีก็โดดมานั่งอยู่กับนิวบนเตียงนิวจึงปลอบใจว่าสงสัยคุณพยาบาลเข้าไปปิดไฟในห้องมั้งเดี๋ยวคงออกมาสามีก็เถียงใหญ่เลยว่า แล้วทำไมถึงไม่เห็นตอนพยาบาลเดินเข้าไปนี่เรารอตั้งนานแล้วนะไม่เห็นใครออกมาเลยทั้งที่ทางออกมันมีแค่าทางเดียวคืนนั้นทั้งคืนนิวหลอนจนนอนไม่หลับจะนอนทีไรเสียงเด็กหัวเราะก็ยังดังแว่วมาจากในห้องนั้นตลอดเธอภาวนาว่าขอให้เช้าเร็วๆพรามาถึงตอนเช้านิวก็ได้ห้องพิเศษพอดี เราต้องพักอีกคืนถึงจะกลับบ้านได้ภายในห้องพิเศษก็เหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปมีเตียงคนไข้มีทีวีตู้เย็นแอร์แล้วก็โซฟาสำหรับญาติสามีของนิวก็นอนบนโซฟาคืนที่สองในโรงพยาบาลมันก็เหมือนจะผ่านไปด้วยดีแต่เวลาประมาณตีสองทั้งนิวและสามีก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้น พอมีเสียงดังมาจากข้างบนมันคล้ายกับถังเหล็กล้มแล้วกลิ้งเสียงดังมากเสียงกลิ้งดังจากมุมมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งของห้องสามีจึงพูดว่าสงสัยถังออกซิเจนห้องข้างบนคงล้มแล้วกลิ้งแหละนอนเถอะแล้วทั้งสองก็นอนต่อจนรุ่งเช้าเมื่อหมอเข้ามาตรวจอาการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นิวกลับบ้านได้ สามีไปจัดการเรื่องค่าใช้ใจ่ายพอเสร็จธุระก็พากันเดินลงมาที่ชั้นล่างก่อนกลับนิ้วเงียงหน้ามองขึ้นไปดูห้องที่เธอนอนอีกครั้งจำได้ว่าเมื่อคืนเธอนอนชั้นสามเมื่อมองขึ้นไปยังตึกนั้นก็มีแค่สามชั้นแต่สามีไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนนอนชั้นสามจริงหรือเปล่าจึงเดินกลับไปห้องนั้นอีกครั้งก็พบว่าทั้งสอง นอนชั้นสามจริงๆแสดงว่าพวกเขานอนอยู่ชั้นบนสุดแล้วเสียงทางลมกลิง้งที่ได้ยินจากชั้นบนเมื่อคืนเป็นเสียงของอะไรพอนึกถึงเสียงนั้นมันก็ทำให้นิวและสามีถึงกับขนลุกเลยทีเดียวพีขเขมรกับบ้านทรงไทย เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วตอนนั้นฟางไปเที่ยวกับพี่สาวและกำลังเดินทางกลับบ้านระหว่างทางก็คุยกับพี่สาวแซวนุนแซวนี่ไปตามปราษาซึ่งในบริเวณนั้นเป็นทางที่ผู้คนล่ำลือกันว่ามีเรื่องเฮียนและน่ากลัวสยดสยองเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆหลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้ว ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนฟางกับพี่สาวก็แยกย้ายกันเข้านอนคืนนั้นฟางนอนหลับไปได้ไม่นานก็ต้องตื่นขึ้นเพราะมีอาการไข้ขึ้นจากนั้นก็นอนไม่หลับอีกฟางพยายามเปลี่ยนท่านอนหลายท่ามากจนได้ท่าที่คิดว่านอนสบายที่สุดแล้วในขณะที่กำลังจะหลับตาแต่ตาไม่ทันหลับ ฟางก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมดำยาวรงสลวยแต่ไม่เห็นหน้าเพราะเส้นผมปิดบังใบหน้าของเธออยู่เธอใส่ชุดเหมือนคนสมัยก่อนมีผ้าสีน้ำตาลพันอยู่ที่อกผ้าถุงมีสีน้ำตาลหรือสีดาก็ไม่แน่ใจเพราะเห็นไม่ชัดผู้หญิงคนนั้นเอื้อมมือมากดไหลของฟางไว้ทำให้ฟางขยับตัวไม่ได้ จะร้องออกมาให้คนช่วยก็ไม่มีเสียงฟางมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในห้องพยายามตั้งสติแล้วท่องนโมตัสสะเพราะท่องไปได้เพียงไม่กี่คำเธอคนนั้นก็พูดสวนกลับมาในทันทีมันเป็นภาษาที่ฟางฟังไม่เข้าใจแต่เหมือนกับว่ามันเป็นภาษาขเขมรเสียงนั้นมันดังกล้องเข้ามาในหูชัดเจนมาก ยิงทำให้ฟางรู้สึกกลัวมากขึ้นไปอีกแต่ฟางก็กัดฟันสู้โดยท่องนนโมต่อให้จบเพราะครบสามรอบเธอคนนั้นก็หายไปฟางก็ขยับตัวได้ตอนนั้นฟางกลัวมากเงือแตกเต็มไปหมดจะนอนก็นอนไม่หลับแล้วคืนนั้นจึงได้แต่นอนห่มผ้าทั้งคืนพร้อมกับท่องบทสวดต่างๆนานาที่นึกออกจนพลอยหลับไป ผ่านมาเกือบสองอาทิตย์เวลาหกโมงเช้ากว่าๆขณะที่ฟางนอนอยู่กับน้องชายก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะปวดฉี่อยากไปเข้าห้องน้ำพอไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็กลับมานอนต่อฟางก็ลงไปนอนความหน้าหันไปทางน้องชายขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับอยู่นั้นฟางก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมานั่งทับอยู่ตอนนั้น ฟางขยับตัวไม่ได้อีกแล้วพยายามจะเรียกน้องชายก็เรียกไม่ได้เพราะเสียงมันไม่ออกฟางคิดในใจว่าโดนอีกแล้วแน่ๆพยายามสยบความกลัวแล้วท่องนโมเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าครั้งนี้มันไม่ได้ผลเขาไม่ยอมไปเพราะเรายิ่งท่องเขาก็ท่องสวนกลับด้วยภาษาเขมร ยิ่งเราท่องมากเท่าไรมันก็ยิ่งดังกล้องในหูฟังมากขึ้นเรื่อยๆฟางตัดสินใจหยุดท่องเขาก็หยุดตามเลยตัดสินใจท่องสัพเพสัตตาแต่ท่องไม่ทันจบ ก, ก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่ทับอยู่นั้นได้หายไปแล้วและฟางก็ขยับตัวได้หลังจากนั้นจึงตัดสินใจไปทำบุญให้ผีตนนั้น และฟางก็ไม่เจอเธอคนนั้นอีกเลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปเป็นปีซึ่งฟางก็ไม่แน่ใจว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นอีกหรือเปล่าเพราะครั้งนี้มันทำให้ฟางกลัวแบบสุดๆเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในตอนกลางวันขณะที่ฟางกำลังจะนอนและเพิ่งหลับตาไปแต่ยังไม่ทันจะหลับ พราะตอนนั้นฟางได้ยินเสียงแม่อยู่เลยในเวลาไม่ถึงสองนาทีเห็นจะได้ฟางก็เห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสมัยโบราณเธอแต่งตัวดูสวยมากแล้วฟางก็เห็นสถานที่ที่เธออยู่นั้นเป็นใต้ทุนบ้านของบ้านเรือนไทยที่ตรงนั้นมีผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่และกำลังโมโหมากเหมือนกับว่า เธอกำลังทะเลาะ ก, กับเด็กหญิงหน้าตาน่ารักคนหนึ่งอยู่ตอนนั้นฟางอยากจะเข้าไปห้ามมากแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยปากอะไรผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองด้วยสายตาที่น่ากลัวมากแล้วเธอก็พูดว่าจะฆ่าฟังจากนั้นเธอก็ตรงมาบีบคอทำให้ฟางหายใจไม่ออกพยายามดิน้นแต่ก็ดิ้นไม่หลุด ก่อนที่จะขาดใจฟางก็พยายามนึกถึงพระพุทธนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมให้ช่วยลูกด้วยสักพักฟางก็สะดุ้งลุกขึ้นมานั่งตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเจ็บคอบ้างนิดหน่อยและเหมือนกับกำลังจะตายเลยทีเดียวพอนำเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็พาฟางไปทำบุญไหว้พระไหว้เจ้าที่ เพื่อให้คุ้มครองปกปักรักษาหลังจากเหตุการณ์ที่น่ากลัวในครั้งนั้นฟางก็ไม่เจอผีอำแบบนี้อีกเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะยังคงเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่าถ้าเลือกได้ฟางขอไม่เจออะไรแบบนี้อีกเลยตลอดชีวิต 孩子用。<See>